บทที่ห้าสิบลูกรักเมียงามต่อมาเจ้าชายกุณาละทรงทราบว่าการที่พระองค์ต้องเสียพระเนตรได้รับความทุกข์ทรมานนั้นหาใช่กรรมที่พระเจ้าอาโศกพระราชบิดารับสั่งให้ทำไม่แต่เป็นความประทุษร้ายของพระนาง ติสยรักสิตาเมื่อทรงทราบดังนี้แทนที่จะแค้นเคืองพระองค์กลับตรัสว่าขอให้พระราชินีติสยรักสิตาผู้เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าบรรลุคุณธรรมอันใหญ่หลวงนี้จงรมพระสําราญมีพระชนชีพยืนนานมีอำนาจวาสนารุ่งโรจน์ตลอดไปเถิดแลแล้วทั้งสองพระองค์คือเจ้าชายกุณาละ และพระนางการจนะมาลาก็ได้เสด็จออกจากพระนครหลวงแห่งแคว้นคันทาระสัญจรไปอย่างคนอนาถาตั้งแต่เสียจักรสุประสาสแล้วพระกลัชกายก็ประศักจากพระกำลังเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถทรงทากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งได้นอกจากการขับร้องและดีดพินจึงทรงเที่ยวซัดเซไปในตำบลต่างๆ ขออาหารมาเลี้ยงพระองค์และพระชายาอาศัยการขับร้องและดีดพินเป็นเครื่องบำเรสุขแก่ผู้อนุเคราะห์ให้เงินทองหรืออาหารดูเถิดเจ้าชายผู้ทรงศักดิ์ปิโยรถแห่งกษัตริย์มหาราชประสูตธ์แล้วภายใต้สเสวตชัตอันรุ่งเรืองยิ่งต่อมาได้เป็นผู้ครองนครหลวงแห่งแคว้นอันมีนามขจรในทางศิลปศาสตร์ มาต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการขับร้องและดีดพินเพื่อแลกอาหารไปเป็นมือ้อมื้อวันวันชีวิตช่างเปลี่ยนแปลงอย่างหน้าพิศวงอะไรเช่นนั้นพระวรกายของเจ้าชายพายพราศจากสงาราศีพระชวีวันหยาบกล้านเพราะกรมแดดลมพระเกษาที่เคยสวยเล่าก็แข็งกระด้างดวงพักที่เคยสวยงามมีพระเนตรเป็นเครื่องประดับ บัตรนี้มีความหม่นมองดำมืดประหนึ่งท้องฟ้าในราตรีที่ไร้ดาวประจำรุ่งพระนางการจะนะมาลานั้นสมเป็นยอดหญิงคู่บา ร, รมีของผู้มีธรรมเช่นกุณาละเมื่อคราวประสบสมบัติพระนางเคยพักดีต่อสามีอย่างไรมาถึงคราววิบัติก็ยังมีความจงรักพักดีฉันนั้น ใครเป็นคนกล่าวว่าจิตใจหญิงย่อมขึ้นลงตามสมบัติและวิบัติของชายคำนั้นหาถูกและอาจเป็นหญิงอื่นที่ไม่ใช่การชนะมาลาเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เหนื่อยนายต่อพระสวามีเลยตรงข้ามกลับสงสารเห็นใจและตั้งพระทัยอย่างเด็ดเดียวว่าเมื่อชีวิตยังอยู่จะไม่ยอมทอดทิ้งเจ้าชายเป็นอันขาดพระนางมิใช่หญิงปลอกลอก เมื่อมีสมบัติก็วิ่งเข้าหาเมื่อไรสมบัติก็แลรหนีสตรีอย่างนั้นส ก, กปิปีกิจชาติก็มี ม, ม, มีอำนาจได้สามีดีได้เลยพระนางตระหนักดีว่าชะตาชีวิตของคนนั้นไม่ว่าเจ้าหรือพร่ย่อมมีการขึ้นลงประสบสมบัติบ้างวิบัติบ้างสลับกันไปหากความดี ช่วยคุ้มครองไม่นานนักวิบัติก็จะค่อยๆ ค, คลายลงสมบัติก็งอกงามขึ้นแทนที่ขอแต่ให้ประกอบความดีความสุดจริต ก, กระตันยูไว้ให้มั่นคงเท่านั้นเราจะไปไหนกันบ่ายวันหนึ่งเจ้าชายกุณาละตรัสถามพระชายาขณะประทับใต้ร่มไม้ใหญ่ไปนครปาตลีบุตรจะดีหรือไม่ พระนางการชนามาลาทูลถามความเห็นเวลานี้เราตกอยู่ในฐานะสิ้นเนื้อประดาตัวเจ้าชายตรัสว่าโบราณท่านว่าคนหมดเนื้อหมดตัวนั้นแม้แต่มารดาบิดาก็ไม่เต็มใจต้อนรับเธอมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างไรที่จะไปนครปาตาลีบุตรนั่นหมายถึงมารดาบิดาที่มีฐานะลาบากเมื่อบุตรธิดาคนใดออกเรือนไปแล้ว หากหมดเนื้อหมดตัวกลับมาพึ่งพิงมารดาบิดาอีกก็ดูจะเป็นภาระหนักเพราะท่านก็แก่แล้วจะมาให้ท่านเลี้ยงอีกก็ดูน่าหนักใจแต่มารดาบิดาของเราไม่ได้อยู่ในฐานะลำบากท่านมีทรัพย์มากมายการจะเลี้ยงลูกที่เสียจักษุเพียงคนเดียวคงไม่เป็นภาระอะไรกับท่านมากนักมุ่งหน้าไปเมืองปาตลีบุตรกันเถิด อย่างน้อยก็ไปดูความจริงอันแน่นอนว่าพระนางติศยรักศิตามีความประสงค์อะไรจึงปลอมพระราชสารให้ควักพระเนตรของพระองค์เสียอย่าไปสนใจเรื่องนั้นเลยเจ้าชายตรัสเรื่องมันล่วงเลยไปแล้วถึงรู้ความประสงค์ของนางติศยรักศิตาก็ไม่ได้ทำให้ดวงตาของเราดีขึ้นอย่างเดิมถ้าจะไปก็ควรตั้งความมุ่งหมายว่า จะได้เข้าเฝ้าพระบิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงดำเนินตามมักคาอันนำไปสู่ปรุงปตาตลีบุตรในระหว่างทางได้ขับร้องและดิดพินแลกอาหารคนทั้งหลายที่มีใจเป็นธรรมเมื่อเห็นคนทั้งสองก็เกิดการุณา ได้ให้อาหารเครื่องนุ่งห่มพอประทังชีพแต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่ด่าให้เจ็บใจว่าเมียนั้นก็มือเท้ายังดีฉะไหนจึงไม่คิดทำอะไรเลี้ยงผัวคิดเอาตัวรอดด้การขอทานช่างน่าละอายพระนางการจะนะมาลาไม่คุ้นต่อคำด่าว่าทํานองนี้เมื่อทรงสดับแล้วก็เศร้าโศกเจ็บพระทัยเหมือนเข็มสักร้อยเล่มมาแทงพระอุระ ไม่นานนักทั้งสองก็ได้เสด็จถึงเมืองปาตาลีบุตรขออนุญาตคนเฝ้าประตูเพื่อเข้าเฝ้าพระราชบิดานายทวารจำพระองค์ไม่ได้เห็นเป็นขอทานอันจักรบกวนพระไทยพระเจ้าอยู่หัวจึงไม่ยินยอมให้เฝ้าได้นำเสด็จไปให้ประทับที่โรงรถหลวงขันลุ่งเช้าเจ้าชายทรงดีดพินและตั้งต้นขับเพลงบรรยายถึงเหตุที่เสียพระเนตร และได้ธรรมจักสุดังนี้มุนีผู้อาศัยแสงสว่างอันบริสุทธิ์แห่งปัญญาพิจารณาเห็นในตาว่าเป็นของร้อนรูปก็เป็นของร้อนจักสุสัมผัสคือความกระทบกันระหว่างจักสุและรูปก็เป็นของร้อนความรู้อารมณ์เพราะอาศัยจักสุสัมผัสนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรอะไรมาทําให้ร้อน บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสว่าร้อนเพราะเหตุสองอย่างคือเพราะเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสคืออะไรเพลิงกิเลสคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเพลิงทุกข์คืออะไรคือความเกิดความแก่ความตายความโศกความคล่ําครวนรำพันความกกาทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจ หูและเสียงเจมูกและกลิ่นลิ้นและรสกายและโผฏฐัพพะใจและธรรมารมก็ร้อนอยู่ด้วยเพลิงทั้งสองกองนี้สัตว์ทั้งหลายถูกลูกสอนคือความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเสียบแทงแล้วดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือกิเลสอันสะสมมาเป็นอนเนกชาตมุนีพิจารณาดังนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในสัมผัส ต, ต่าง เหมือนโคที่ถูกถลกหนังแล้วไม่กล้าเสียดสีด้วยเสาหินเพราะเกรงความเจ็บปวดมูนีนั้นย่อมเห็นโทษของสังสารวัตรใครจะพ้นไปเสียจากสังสารวัตอันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกนานาประการหาประมาณมิได้บุคคลผู้ได้ทุกทรมานอยู่ในชาติทุกข์ก็เพราะจิตหมกมุ่นด้วยบาปอากุศลหากปรารถนาสุขในโลกนี้ ก็พึงละวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งสัมผัสเสียให้สิน้นคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสัมผัสใดๆเมื่อสัมผัสก็สักแต่ว่าได้กระทบเท่านั้นมิให้ตันหาอุปท า, านเข้าไปจับเกาะกินใจก็จะพึงเป็นผู้ปลอดโปร่งเบาสบายเหมือนบุคคลเคยแบกของหนักแล้วทิ้งของหนักนั้นเสียเหมือนบุคคลเคยถูกพันธนาการแล้วหลุดพ้นจากเครื่องจองจา แม้กายจะทรมานอย่างไรจิตใจก็หามีความทุกข์กระวนกระวายด้วยไมย่จอมจักพัดอโศกได้สดับเพลงพินนั้นแล้วทรงจําได้ว่าเป็นธรรมนองและฝีประหัตของพระราชโอรสสกุณาละทรงสําราญพระไทยเป็นยิ่งนักทรงดําริว่ากุณาละลูกเราขับเพลงและดีดพินเราได้ยินมานานแล้วได้ฟังเขากลับมาแล้ว แต่ไม่อยากพบปะใครๆจึงตรัสเรียกราชองครักษ์ผู้หนึ่งเข้ามารับสั่งว่าเสียงเพลงนี้เหมือนเพลงของกุณาละมิใช่หรือดูประหนึ่งเขาจะตกละก ร, รมลำบากอยู่สำเนียงนั้นจับใจนักตัวข้านั้นเหมือนช้างพังซึ่งพลัดลูกอ่อนเที่ยวตามหาเมื่อได้ยินเสียงก็อดปรีดาไม่ได้จงเปน็นนำกุณาละมาหาเราโดยเร็ว ราช อ, องค์รักรับพระบรมราช อ, องค์การเหนือกล้าแล้วก็รีบไปยังโรงรถพบเจ้าชายกุณาละผู้ปราศจากพระเนตรมีพระกายอันแดดและลมทำให้มัวหมองเขาจึงไม่อาจจำพระองค์ได้และแล้วกลับไปทูลเจ้าอาโศกว่าขอเดชะผู้บรเลงเพลงนั้นมิใช่เจ้าชายกุณาละดอกแต่เป็นขอทานตาบอดคนหนึ่งกับภรรยาอาศัยอยู่ในโรงรถหลวง เมื่อทรงสดับดังนี้พระราชาทรงประสบโทมนตสอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงแน่พระทัยว่าต้องเป็นเจ้าชายกุนาละเสียงพินและทำนองนี้ไม่มีใครเลยในปาตาลีบุตรมีแต่กุนาละคนเดียวทรงรำพึงต่อไปว่าดูสิความฝันของเรากลายเป็นความจริงขึ้นแล้วลูกกุนาละเสียจักสุเสียแล้วสิงอันนาภาคภูมิใจนาความรื่นรมมาให้มากที่สุด ในตัวกุณาละได้พินาศเสียแล้วโลกเะไหนโลกจึงทารุณถึงปานนี้พระเถระประธานสงแห่งกุกุตตารามพูดไว้ไมิผิดเลยท่านเคยบอกว่ากุณาละจะต้องเสียจักสุบุญอะไรของเธอหนาอํานวยให้เธอมีดวงเนตรงามไม่มีใครปานและบาปกรรมอะไรของเธอเล่าจึงทำให้เธอต้องปราศจากดวงดาว ในวงพักตั้งแต่ยังนมขณะนั้นทรงพระกันแสงพรางรับสั่งว่าจงรีบไปนำขอทานตาบอดคนนั้นมาหาเราเรากำลังจะทนต่อความโทมนัสไม่ไหวอยู่แล้วขอให้เราได้เห็นหน้ากุณาละลูกเราหน่อยเถอระราชองครักษ์จึงรีบกลับไปยังโรงรถหลวง เพื่อพบขอทานตาบอดคนนั้นจึงถามว่าท่านชื่ออะไรเป็นลูกใครเจ้าชายกุณาละตรัสตอบตามความจริงว่าข้าพเจ้าชื่อกุณาละเป็นราชโอรสของพระเจ้าอาโศกผู้ทรงผดุงเกียรติแห่งโมริยะวงอันทรงศักดิ์ผู้อันสากลโลกยอมอ่อนน้อมอยู่ภายใต้พระบารมีพระราชาพระองค์นั้นเป็นพระราชบิดา ข, ของข้าพเจ้า แต่บัดนี้ขพเจ้าเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอาทิตยวงศ์ผู้ได้ทรงแสดงและบัญญัติพระธรรมวินยัยอันเลอเลอิศลึกล้ำราชองครักษ์เต็มไปด้วยความลังเลเพื่อจะทดลองให้แน่ใจจึงถามว่าท่านอ้างว่าท่านเป็นโอรสของพระเจ้าอาโศกผู้ทรงสักขพเจ้าใคร้ขอถามให้ท่านเล่าประวัติความเป็นมาแห่งโมริยะพอสมควร เท่าที่ท่านพอจำได้และขอให้แสดงัติยะมายาขนบประเพณีของกษัตริย์ซึ่งผู้เกิดในตระกูลกษัตริย์ทุกท่านจะต้องรู้เจ้าชายพระเนตรบอดนิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงทรงเล่าประวัติแห่งโมริยะวงโดยตลอดแต่พอได้ความและทรงแสดงคติยะมาลาโดยถูกต้อง เมื่อรัชองค์รักแน่ใจแล้วจึงนำคนขอทานตาบอดและภระยาเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทอดพระเนตรเห็นเจ้าชายกุณาละปราศจากพระเนตรมีพระกายอันแดดและลมทำให้มัวหมองทั้งทรงพระภูษาํำคร่าเพราะกรมแดดฝนระหว่างเดินทางประกอบด้วยไม่ทรงทราบถึงสาเหตุที่ทาให้ราชโอรสพระเนตรบอดพระเจ้าอาโศกทรงเพ่งดูราชโอรสอยู่หลายครั้ง แต่ก็ยังทรงจำไม่ได้ไม่มีแววแห่งสรีระรูปแห่งเจ้าชายกุณาละและผู้มีความงามเป็นเลิศเลยในที่สุดพระองค์จึงตรัสถามว่าเจ้าคือกุณาละหรือข้าแต่พระบิดาหม่อมชันกุณาละเจ้าชายทูลและนี่ก็คือการชนะมาลาชายาของหม่อมชันพระเจ้าอาโศกทรงเพ่งดูพระนางการจนะมาลา สุนิสาของพระองค์เองแต่ก็มีอาจจำได้เช่นเดียวกันขณะนั้นพระนางติศยรักศิตาประทับอยู่ณที่นั้นด้วยทรงดํำริว่าหากพระเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อว่าบุรุษพิการผู้นั้นเป็นพระโอรสของพระองค์ภัยก็จะมาถึงตัวจึงรีบทูลพระราชสวามีว่าเป็นไปไม่ได้เพคะเป็นไปไม่ได้ที่บุรุษตาบอดผู้นี้จะเป็นคนคนเดียวกับเจ้าชายกุณาละ ผู้เปลี่ยนไปด้วยความงามนั่นสิพระราชาตรัสฉันก็สงสัยเหลือเกินบุรุษผู้นี้ต้องเป็นผู้แอบอ้างอย่างแน่นอนเพคะพระนางทูลซ้ำเมื่อทรงสดับดังนี้พระนางการจะนะมาลาโกรธจนพระองค์สันอยากจะกระโดดฉีกอกของพระนางติสยรักษิตาให้ตายคามือแต่ทรงระงับโทสะไว้ตามวิสัยแห่งกุลสตรี เธอมีอะไรพิสูจน์บ้างไหมว่าเธอคือกุณาละลูกของเราเจ้าชายล้วงพระหัตถ์ลงไปในถุงผ้าแล้วนำเอากาไลทองมีสายยยงรำแพนคู่หนึ่งออกมาแสดงเป็นหลักฐานพระเจ้าอาโศกเพ่งพินิจ ด, ด้วยความพิศวงแต่พระนางติสยารักศิตาได้กราบทูลขึ้นว่าเจ้าชายกุณาละนั้นเป็นผู้เปี่ยมด้วยเมตตาการุณาทนไม่ได้ต่อความลาบากของผู้อื่น เมื่อพบขอทานคนนี้อาจมอบกําไรให้เพื่อเลี้ยงชีพในยามขัดสนหม่อมฉันเห็นว่าน่าจะเป็นทํานองอย่างที่กราบทูลมาเพคะขอทานนี้เห็นช่องทางที่จะปลอมเป็นเจ้าชายได้จึงกระทําเพื่อหลอกลวงพระองค์ให้หลงเชื่อแล้วชุบเลี้ยงเขาและภรรยาให้อยู่เย็นเป็นสุขในฐานะพระโอรสต่อไป เมื่อสนทนากันไปนานเข้าวพระราชาทรงซักถามเข้าแววพระพักแห่งเจ้าชายกุณาละและพระกระแสเสียงค่อยๆปรากฏแก่พระราชาทีละน้อยในที่สุดพระองค์ก็จําได้ทั้งพระโอรสและพระสุนิสาเมื่อทรงทราบแน่ว่าชายตาบอดผู้นั้นเป็นเจ้าชายกุณาละพระวายโยก็กำเริบเป็นลมดังมีคําพนานาว่า เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระพักเจ้าชายกุณาละซึ่งมีพระเนตรอันเข้าควักออกเสียแล้วพระเจ้าอโศกก็ทรงสลดพระทัยพระอักคีคือความโศกที่ทอดเนตรเห็นพิบัติแห่งพระราชโอรสเผาผลาญแล้วขะราชบริพานได้นำน้ำหอมมาพรมให้ทั่วสรีระและนำพระองค์ขึ้นบรรทมพระยี่ผู้ไม่นานนักพระราชาก็ทรงรู้สึกพระองค์ ทรงสวมกอดพระโอรสและพระสุนิาสาทรงรูปครัมพระพักแห่งเจ้าชายกุณาละอยู่ไปมาทรงเปล่งพระสุรเสียงระคนด้วยสะอื้นว่าครั้งก่อนนี้เมื่อในตาอันเป็นเหมือนกุณาละพ่อจึงเรียกลูกว่ากุณาละบัดนี้ตาทั้งคู่นั้นสูญเสียแล้วพ่อจะเรียกลูกว่ากุณาละได้อย่างไรแล้วพระราชาตรัสต่อไปว่า บอกพ่อเถิดลูกรักทำไมหน้าพร้อมด้วยดวงตาอันงามนี้ประศัก์ความแจม่มใสและกลายเป็นเหมือนนาพากาศประศัก์ความงามเพราะความลดน้อยแห่งแสงจัน์ในคืนแรมลูกเอ๋ยใจของบุรุษผู้นั้นช่างโหดเยี่ยมเหลือเกิน เขาทำลายจักสุของเจ้าผู้งามเลิศมนุษย์คนที่ทำร้ายเจ้าได้นั้นย่อมสามารถทำบาปอย่างอื่นได้อีกมากมายบอกพ่อเถิดลูกรักอย่าชักช้าใครหนอเป็นผู้ทำลายในตาเจ้าหรือเป็นต้นเหตุให้ตาของเจ้าถูกทำลายเจ้าชายกุณานละถวายบังคมและทูลว่าพระราชบิดาไม่พึงเศร้าโศกในเรื่องนี้ เรื่องได้ล่วงเลยไปแล้วพระทูลกระหม่อมผู้ประเสริฐใครเล่าจะล่วงพ้นบ่วงกรรมที่ตนเคยทําไว้อย่าว่าเพียงธรรมดาอย่างหม่อมชั้นเลยแม้แต่พระอาหารหันและพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็มิอาจล่วงพ้นได้ทุกคนจะต้องได้รับผลแห่งกรรมที่ตนทําไว้เมื่อเป็นดังนี้จะกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะประสบภัยพิบัติเพราะการกระทําของคนอื่น หม่อมชั้นคงเคยทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งไว้อันเป็นเหตุให้ต้องเสียจักสุข้าแต่พระราชบิดาร่างกายนี้เท่านั้นที่อะไรอะไรทำร้ายได้แต่จิตใจของลูกไม่มีอะไรทำร้ายได้เลยมันมีความเป็นอิสระถึงแล้วซึ่งภาวะอิสระไม่มีอะไรย่ำยีได้เพราะฉะนั้นหม่อมชั้นจึงไม่สู้เดือดร้อนนักในการเสียจักสุครั้งนี้ แต่พระเจ้าอาโศกผู้อันความทุกครอบงามพระทัยอย่างแรงกล้าเสียแล้วจึงตรัส ด, ด้วยเพลิงโทสะว่าใครเป็นคนทําร้ายในตาลูกของข้าใครได้ทําความผิดอันใหญ่หลวงครั้งนี้ความแค้นได้เข้าสิงใจของข้าไฟคือความโศกเผาใจของข้าให้ร้อนจงบอกพ่อโดยเร็วเถอะว่าใครทําลายในตาของเจ้า พ่อจะได้ลงอาญาแก่เขาให้รู้สํานึกเสียบ้างต่อมาพระเจ้าอาโศกได้ทรงทราบแน่ชัดว่าผู้เป็นต้นเหตุให้ดวงเนตรของพระโอรสต้องสูญเสียไปนั้นคือพระนางติทยรักสิตาพระมเหสีคนสวยของพระองค์เองคราวนี้พระองค์ยิ่งมีโทมนัสอย่างใหญ่หลวงทั้งรักทั้งแคลนรัคนกันหญิงสวยแล้วมักจะเป็นเสียอย่างนี้ ทรงคำรามอย่างเครียดแค้นชิงชังมากมากมีมารยาใจรวนเรเชโลทราคนหนึ่งแล้วนี่มาติสยรักสิตาอีโน่นทำลายจิตใจของเรานี่ทำลายลูกชายของเราซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าทำลายเราเสียอีกรับสั่งให้พระนางติสยรักศิตาเข้าเฝ้ายิ่งทอดพระเนรเห็นพระนาง ยิ่งเหมือนเอาน้ำมันมาราดรถในกองเพลิงรับสั่งถ า, ถามถึงความจริงอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระนางรับว่าเป็นสัตว์แล้วจึงตรัสว่าติเชยรักสิตาใจของเธอนั้นช่างร้ายกาดนักดำมืดเหมือนสีน้ำฝาดค้นทำไมแผ่นดินจึงไม่สูบคนอย่างเธอเสียช่างหนักแผ่นดินจริงๆเธอควรได้รับโทษ ด, ด้วยดาบหรือด้วยขวานหรือด้วยเพลิง เราทราบว่าการเผาคนทั้งเป็นนั้นเป็นความโหดร้ายแต่หากคนที่ถูกเผานั้นเป็นตัวเธอเราคิดว่าความโหดร้ายอันโลกติเตียนนั้นยังน้อยไปเธอควรได้รับโทษโดยการควักในตาทั้งสองออกแล้วแล่เนื้อออกทีละชิ้นโยนลงในน้ำมันหรือโยนให้กา ก, กินจึงจะสาสมกับใจอมหิทที่ร่างอันสวยงามของเธอห่อหุ้มไว ติสยาักษิตากายของเธอนั้นขาวยังหาทิฏฐิไม่ได้แต่ใจของเธอสิช่างดำมืดเลือกเกินเราอยากจะฆ่าเธอด้วยมือของเราเองติสยาักษิตาหากเป็นสมัยก่อนก่อนที่ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเข้าถึงจิตใจของเราเราจะไม่พูดอะไรให้ยาวความอย่างนี้เธอคงตายด้วยมือของเราไปแล้ว แต่ขณะแรกที่ทราบว่าเธอเป็นผู้ประทุษร้ายกูนาละบรของเราอะไรจงใจให้เธอทำความชั่วถึงปานนี้อะไรทำให้เธอมองไม่เห็นคุณค่าของความงามและความดีเช่นกูนาละอะไรทำให้เธอมืดบอดภายในอย่างไม่มีอะไรเปรียบได้ติสยรักษิตาเธอเลวร้ายเหลือเกิน เลวร้ายอย่างไม่รู้จะเปรียบกับอะไรสิ่งที่จะล้างสนิมก็คือความแค้นในใจเราครั้งนี้ไม่มีอะไรจะชำระได้นอกจากเลือดและชีวิตของเธอเมื่อได้ฟังพระดำรัสดังนี้พระนางติสยรักษิตาผู้ทราบถึงพระอัธยาศัยของอาโซก็มีพระพักตร์สิดเพื่อพระวรกายสันเทิมเพราะความกลัวอนิจจา ติสยรักษิตาเมื่อทําร้ายคนอื่นช่างไม่คิดบ้างเลยว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรพ่อภัยจะมาถึงตัวเข้าบ้างก็แสดงอาการกลัวจนกายสรรั่นหน้าซีดเธอรักชีวิตของเธอเองไม่นึกบ้างหรือว่าคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเธอวาดวันตอบภัยไม่นึกหรือคนอื่นจะเกรงภัยเช่นกัน แน่นอนทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามองดูไปทั่วทิศแล้วไม่เห็นใครอื่นอันเป็นที่รักยิ่งกว่าตนผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นและว่าสัตว์ทั้งปวงหวาดสะดุ้งต่ออาดยาสัตว์ทั้งปวงกลัวต่อความตายเมื่อทำตนให้เป็นข้อเปรียบเช่นนี้แล้วจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียน